สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการร้านไม่รับไปกับเชฟนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปอิ่มอร่อยกับร้านที่ไม่รับตามแบบฉบับของเชฟเลยเหรอครับแล้ววันนี้อยู่กับผมครับเชฟก๊อปสัญญาทาดาตะนาวงครับวันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมาในย่านที่มีของดีของเด็ดซ่อนอยู่เพียบเลยครับแล้วถ้าผมจะเก็บไว้คนเดียวไม่นํามาบอกคุณผู้ชมมันก็จะดูเป็นการใจร้ายจนเกินไปใช่ไหมล่ะครับ